ข้อพรรษาที่วัดสามเดือนแต่ว่าครบรอบสองเดือนคือวันพระหน้าแล้วก็เป็นวันสําคัญของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเป็นวันข้าวฉลากพัดอย่างพวกเราปฏิบัติมาทุกทุกปีลกักการปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไป ก็เป็นกฎเป็นเบียบเป็นาศาสนาพิธีอันหนึ่งคือหลวงพ่อได้ศึกษาตั้งแต่มาอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเป็นสมณเณรแล้วก็อยู่กับองค์หลวงตาในการประพฤติปฏิบัติท่านพาทําวัดทุกวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามไหมอยู่กับหลวงปู่ล่าไม่มีอยู่องค์หลวงตาก็ไม่มี แต่หลวงพ่อทำไมจึงทำทำไม จ, งจึงมาทำหลวงพ่อว่าสมัยยุคก่อนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติผู้ที่เข้ามาศึกษาก็เป็นผู้สบายใจในการศึกษามีแต่เทศสนาตอนอบรมตอนเช้าจากนั้นก็ท่านก็ให้ต่างคน ไปประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองถ้าจะมานอนในวัดท่านก็ให้ไป น, นอนอีกข้างล่างอย่างที่ผู้ากอดฝ่ายพระสงฆ์ขึ้นขึ้นอยู่บนเขาแต่ฝ่ายญาติโยมก็อยู่ทัานตีนเขาทั้งฝ่ายญาติโยมหญิงชายจากเขาจากนั้นเขาก็ไหวพระสวดมนต์ตามเรื่องของเขาแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็อยู่อยู่ในความสงบ อันนี้ก็คือสมัยอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเป็นเวลาถึงเก้าปีเป็นสัมมาณี อ, อยู่หนึ่งแปดปีเป็นพระหนึ่งพันษารวมแล้วเป็นเก้าพันษาจากนั้นก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์องค์อื่นก็เป็นอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่มาอยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบสามปีองคหลวงตาท่านก็ไม่เคยพาทำวัดเย็นทำวัด อย่างวันพระแปด ค, ำคำ่ำสิบห้าค่ำแต่ถ้า ว, วันไหนเป็นวันอุโบสถหรือเป็นวันสำคัญบางครั้งมีญาติโยมมาสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มแน่นอายุยังไม่มากในช่วงนั้นหลวงพ่อเข้ามาายุองค์ท่านก็ประมาณสักหกสิบกว่ า, วาท่านก็ยังพาทำวัดเจ็นหรือว่าพาทำเวียนเทียนพระทักษิณวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาอยู่ เป็นบางครั้งแต่ว่าทาวัดเย็นเช้าเย็นทาวัดเช้าเย็นไม่มีทาวัดแปดค่ำสิบห้าค่าอย่างพวกเราทำนี่ก็ไม่มีแต่หลวงพ่อเองที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทาอย่างนั้นถูกต้องไหมถูกต้องตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเข้ามาชุมนุมกันหรือว่าทาวัดเช้าเย็นก็เป็นการคุกคีกันอีกส่วนหนึ่งถ้าจะว่าไป แต่ถ้าหากว่าไปอีกในมุมหนึ่งก็เป็นการฝึกหัดเป็นการปลูเป็นการปลูทางให้แก่อนุชนหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่หลักธรรมที่มั่นคงก็เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของคณะศรัทธาญาติยโยมหรือลูกหลานที่เข้ามาใหม่แต่ถ้าว่าเป็นผู้เชื่อมั่นเป็นผู้ได้ศึกษาเที่ยงตรง จากองค์ท่านแล้วสิ่งเหล่านี้กับคล้ายๆว่าเป็นเปลือกหรือเป็นกับพีที่จะนำไปสู่ความเจริญทางด้านจิตใจดึกซึ้งเข้าไปแต่ถ้าว่าผู้ที่ดึกซึ้งทางด้านจิตใจลงมือประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจิตตะภาวนาอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเสริมภายนอก ให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าว่าท่านผู้มีหลักแล้วท่านก็เอายึดแต่หลักอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์เห็นความเกิดความเสื่อมอยู่ในจิตในใจแต่ว่าท่านเน้นหนักเข้าตรุมบอลภายในสิ่งภายนอกที่สาธาปพิธีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทาก็ไม่จาเป็นแต่ถ้าว่าพวกเราจะไม่ถึงจุดนั้น เราก็ต้องปลูกฝังอุปนิสัยคือความเชื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจศาสนาพิธีก็มีความจำเป็นอย่างมากเพราะนั้นหลวงพ่อมาพิจารณาดูใกล้นำแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางสำนักเอามาประยุกใช้ในวัดของพวกเราให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะเกิดประโยชน์ได้แต่ทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราได้ศึกษาได้นำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางท่านบางองค์ก็นำทำคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้ามาเผยแผ่มาพูดมาขยายผลก็ถือว่าเป็นตัวเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้รอบครอบเป็นผู้รอบรู้กว่าผู้ใดใครอื่นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าใช่ก็ยกให้แต่ว่าเราจะไปยึดถืออย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ถูก พอเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเขาอกเข้าใจมาอย่างไรเราก็นําควรจะนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษามาดีด้วยว่าได้ศึกษาเข้าใจแล้วนํามาขยายผลเลยเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาญาติโยมหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาสุดท้ายภายหลังสืบทอดกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีการขยายผลจบจุดจบอยู่องค์ใดองค์หนึ่งท่านใดทั้งหนึ่ง แล้วก็ไม่มีใครพูดต่อว่าองค์นั้นพูดถูกแล้วก็จบอย่างนี้ยก็คงจะศาสนาก็คงจะไม่ยืดยาวมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนาที่มายืดยาวมาถึงขนาดนี้ก็ด้วยอาศัยต่างคนก็ต่างศึกษาต่างคนก็ต่างเข้าใจจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างเผยแผ่ขยายผลอย่างน้อยก็พ่อแม่ก็ต้องขยายให้ลูกหลานของตนเองฟัง ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ฟังมาอย่างนี้ได้ศึกษามาอย่างนี้ได้เข้าใจมาอย่างนี้ก่อนแนะนําสั่งสอนลูกหลานของตนอย่างน้อยลูกหลานของเราก็ยังเชื่อในปู่ย่าตายายเป็นแนวแถวของตระกูลของพวกเราถาตระกูลพุทธเว้นเสียแต่บางลูกบางคนก็แหวกแนวไปบ้างก็เป็นของธรรมดานานาจิตต่างน า, นานาทัศนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็เป็นมาอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าผู้มีอุปนิสัย ใครควรทบทวนเมื่อยังไม่เข้าใจยังไม่รู้สิ่งใดในเมื่อพ่อแม่อธิบายให้ฟังพวกเราก็พยายามเข้ามาศึกษาค้นคว้าไตร่ถามสอบถามท่านผู้รู้ทั้งหลายก็จะได้รับความเข้าอกเข้าใจในการได้ยินได้ฟังในการศึกษานั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษามีแต่ฟังฟังและกระจบ เผอเอยังเกิดความประมาทในจิตในใจของพวกเราอีกอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะวิชาในโลกมีมากมายจนนับครณาหาประมาณไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะสัยํู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องคงจะไม่ใช่อย่างนั้น ถ, ถ้าจะว่าไปแล้วก็ความรู้ของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับความรู้ของเป็ด เป็ดร้องก็ได้แต่เสียงไม่เพราะบินก็ได้แต่ไม่เก่งเหมือนกับนกกับกาไวาน้ำก็ได้แต่ไม่เหมือนกับเรือหรือว่าการไวน้ำทั้งหลายเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำวิ่งก็ได้แต่มก็ไม่เร็วเหมือนกับสัตว์สารสิงอย่างอื่นอย่างหมูหมากาไก่ที่มันวิ่งเห็นเป็ดวิ่งเป็นยังไงมันก็วิ่งได้ พราะนั้นคนโบราณเขายังเปรียบเทียบว่าความรู้ของพวกเราบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเป็ดพอรู้ได้บ้างแต่ไม่เก่งสักอย่างบางทีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเก่งบ้างเป็นบางขาแขนงเป็นบางอย่างเพราะนั้นพวกเราจะทนองตัวว่าเป็นผู้ฉเฉลียวฉะลาดต้องเป็นผู้ยอมรับเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาไว้ในใจอยู่เสมอ สิ่งไหนที่เป็นทางที่ถูกต้องสิ่งไหนทีเ่เป็นความถูกต้องพวกเราควรจะใส่ใจควรจะศึกษาในสิ่งนั้นๆเพราะว่าวิชาทางโลกอย่างที่ได้กล่าวมีมากมายที่พวกเราจะต้องศึกษาเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้พวกเราได้ศึกษาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องสีนสมาธิ ป, ปัญญาสอนแนวความคิดคือเรื่องสมาธิปัญญาคือแนวความคิด ศีลคือการอยู่ร่วมกันเรื่องของศีลถ้าจะว่าไปแล้วถ้าว่าศีลอย่างเนี้ยพวกเราอาจจะเบื่อหน่ายคลายเมื่อหน่ายไม่อยากจะได้ยินได้ฟังให้ว่าเป็นของคของ้าสมัยศีลศีลแต่ตามที่จริงศีลก็คือวินยัยวินัยก็คือกฎระเบียบกฎระเบียบคือกฎหมายมันอันเดียวกันเพียงแต่ ใช้ความคิดใช้คำพูดคนละเหลี่ยมกันเท่านั้นเองถ้าว่ากฎหมายของพระอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดพระใช้กฎหมายของพระกไะ็ไม่น่าจะผิดไม่น่าจะผิดแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติพรสินเราก็ต้องต้องพูดว่าสินเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงความหมายนั่นก็คือกฎระเบียบในการอยู่เป็นอยู่ของพระสงฆ์การอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์ในหมู่ในคณะตลอดถึงการวางแนวแถวไว เพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองแต่ละถิ่นละฐานแต่ละแห่งละโหนนั้นเป็นตามยุคตามสมัยรัฐบาลยุคนี้ขึ้นมารัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปถึงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกฎหลักของเขาคงจะมีไว้อยู่แต่นี้หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวในโลกท่านก็บัญญัติกฎเอาไว้ก็คือศีลในการเป็นอยู่ร่วมกันศีลก็คือบัญญัติให้ครวัตแย่โจงก็คือศีลห้า สำหรับศีล227อันนี้คือศีลมาในพระปฏิโมกข์นอกจากนั้นเกิดศีลอภิสมาจาร์ศีล น, นอกพระปฏิโมกข์อีกมากมายสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ควรจะทําตนอย่างไรควรจะสําบรวมกายวาจาอย่างไรไม่ให้มีโทษไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเขาตำหนิชิญ น, นินทาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนทุกยุคทุกสมัย ถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีทำตนไม่ถูกต้อง <c oughs> ก็เป็นที่รังเกียจเดียยสันนยุคสมัยนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมัญญะตมาบางสิกขาบทก็เป็นลาสมัยไปบ้างสมมติว่าของใช้อย่างเนี้ยของใช้ในยุคสมัยหนึ่งเป็นของทันสมัยแต่มาถึงอีกยุคสมัยหนึ่งเป็นของลาสมัยไปแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จริงจาเป็นและสาคัญ อันนั้นก็คือกฎระเบียบแต่ว่าสิ้งที่จำเป็นและสำคัญที่หลักๆใหญ่ๆอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงคิดขึ้นมาเมื่ อ, อไรมบทวนดูเมื่ อ, อไรมีคุณค่ามีประโยชน์เมื่อนั้นแต่ส่วนปีกย่อยนั้นมีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องศึกษาเราจะไปเอาจุดย่อยมาตีจุดใหญ่มันก็ไม่ถูกเมื่อมีจุดใหญ่ก็คือจุดใหญ่คือจุดย่อยก็คือจุดย่อย จ, จ, จุดจาเป็นและไม่จุดจาเป็นสาคัญ หรือไม่จำเป็นสำคัญผู้ที่เข้ามาศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งสองเงื่อนเพราะเข้ามาศึกษาพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาไม่ให้ใช้ความเชื่อทีเดียวไม่ให้ใช้ความซื่อบื้อทีเดียวความโง่ความเชื่อทีเดียวให้ใช้จิตใช้ปัญญาความรอบคอบว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรจะทำยังไงให้เหมาะสมในยุคในสมัยนั้ น, น, น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศ า, าสนาหลักพระพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลพูดอย่างนั้นได้หลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลถ้าหลักสินก็คือหลักเหตุผลในการอยู่ร่วมกันสลักสมาธิก็คือหลักในความคิดคิดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องหลักปัญญาการไข้ควรทบทวนเหตุและผลไข่ควรทบทวนอย่างไรมันจึงจะถูกต้องอันนี้ก็คือ ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้เป็นแนวความคิดตัวการกระทําของพวกเราสรุปแล้วก็คือเรื่องกายวาจาใจไม่หนีจากหลักสามอย่างกายก็คือการเป็นอยู่ของร่างกายเราควรจะทําตัวยังไงให้ถูกต้องไม่เหตเบียดเบียนตนและผู้อื่นการพูดจะพูดยังไงจึงไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการคิดคิดอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้มีให้มีเมตตาธรรมอยู่ในจิตใจไว้อยู่เสมอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไมจึงมีอุเบกขาด้วยเพราะว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นทำขั้นวางถ้าเอาไม่ไหวสู้ไม่ไหวเราจะไปแบกไว้มันก็เป็นทุกข์ก็ต้องวางเฉยไม่ยินดีไม่ดีใจและไม่เสียใจ ในเมื่อเรื่องนั้นเอาไม่ไหวแล้วฉุดวิสัยแต่ถ้าเรายังไปทุกกับมันอยู่แสดงว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเบื้องต้นเบื้องกลางและก็เบื้องสุดสูงสุดเพราะฉนั้นท่านจึงให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกขั้นตอนในการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาให้เข้าใจ สรุปแล้วก็คือทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไม่ผูกมัดกับผู้ใดใครผู้หนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นธรรมะของทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์วางไว้ในพุทธบริษัทสี่ไม่ได้วางไว้กับนายกนายขนางงนางกอพระภิกษุขอ ง, งอจามเนนวางไว้กับทุกคน พ, พุทธบริษัทสี่ของพระองค์ถ้าผู้ใดก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้นั้นเป็นศักกิบุตรสากกิญญ บ, กกญญบุตรคือเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพุทธบริษัทสีของพระพุทธองค์แต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามทําตนไม่ดีก็ไม่ใช่ลูกที่ดีเป็นลูกที่เกเรเป็นลูกที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นลูกที่ไม่ตะระพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าสิ่งเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านก็ไม่รับรอง ถ้าไม่ปฏิบัติตามทำคําคสั่งสอนของพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าเดินผิดทางเดินแปลกแวกออกจากทางอไม่รู้จะเจอเสือเจออสรพิษเจอสิ่งไหนพระพุทธองค์ไม่รับรองแต่ถ้าว่าพุทธองค์บอกว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีศีลห้าประจํากายวาจาใจของท่านผู้นั้นแล้วปิดอบายยะผูกรับรองได้ว่าไม่ตกนรกไปในทางที่ดีเมื่อเป็นเมื่อเป็นครวญก็ ดำรงคงชีพอยู่ด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขถ้าล้มหายตายจากโรคนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุกติคือความสุขความเจริญถ้าว่าไม่มีกรัมเก่าในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องกรัมเก่าในอดีตนั่นก็คืออะไรอดีตบางพบบางชาติของเราที่เรานึกย้อนหลังดูที่การกระทําของพวกเราอย่างโรวงพ่อนีอ่ก็เถอะบวชมาแต่เล็กแต่น้อย อายุสิบกว่าปีเรานึกย้อนหลังไปก่อนเราบวชเราทำอะไรบ้างอันนี้เราก็นึกเราก็น่าขยะขยงน่า ก, กลัวเหมือนกันกลัวจุดนั้นก็คืออะไรคือเราได้ทำปาณาติบาตหลายชีวิตพอสมควรสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราคิดดูแล้วจะไม่ให้มันตามมาหาเราได้หลอเพราะว่าเราได้กระทำของเขาผ่านไปแล้วแต่ใช่เราก็ลืมไปเพราะเราทาเขา แต่เขาที่การกระทําของเรากับเขานะ่ะเขาที่เจ็บใจเจ็บแค้นแน่นใจของเขาอยูนะ่เขาให้อภัยเรามากน้อยอย่างไรแค่ไหนบางทีเขาอาจจะมีพยาบาทอาฆาตกับเราไว้อยู่สิ่งเหล่าเนี้อันนี้เราเพียงมองเห็นได้สมัยเมื่อเราเป็นเด็กต่ำกว่าสิบเอ็ดสิบสองปีลงไปเรารู้เรียงสาภาวะเราก็พอยังจําได้ว่าการกระทําของเรานเป็นอย่างไง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันพรอ้นั้นพวกเราจะปาฏณาจนะักรความสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้มีความทุกข์จะ เ, ơi, เลยหลวงพ่อวากคมจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องอทั้งทุกข์ทั้งสุขผสมประสานกันไปพอเหตุใจเพราะการกระทําของเราการพูดของเราการคิดของเรามันก็เป็นอย่างนั้นเพรอะนั้นพวกเราต้องยอมรับทั้งสองเนื่องทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ถึงยังไงเมื่อรู้แล้ว ว่าการกระทําสิ่งไหนคิดสิ่งไหนพูดสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เราจะพยายามถอยห่างจากสิ่งเหล่านั้นจะพยายามสั่งสมแต่คุณงามความดีจะไปสั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้มากแต่สิ่งเหล่านั้นเราจะเหินห่างออกมาพราะเรารู้แล้วว่าทําสิ่งเหล่านั้นมันเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์เราจะพยายามสั่งสมแต่ความสุขเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิด ไว้ในใจของพวกเราไว้อยู่เสมอพยายามไตรตรองทบทวนดูตัวเองไว้อยู่เสมอถ้าเราคิดทบทวนไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วนั่นแหละท่นนี่จิตใจของเราก็จะมีความเหมาะสมมีความมีความอ่อนน้อมทอมตนรู้จักสิ่งควรไม่ควรควรคิดควรพูดควรทําเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองจากนั้นแท้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะจัดว่าหมวดสินก็ไม่น่าจะผิด เพราการเป็นอยู่การเคลื่อนไหวด้ือว่าการดำรงชีพการอยู่ร่วมกันจะว่าวินัยก็ไม่น่าจะผิดจะว่ากฎหมายกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันก็ไม่น่าจะผิดเพราะนั้นเราจะว่าศินหรือว่าวินยัยจะว่ากฎหมายก็ได้ทั้งนั้นการคิดไม่เบียดเบียนไม่คิดจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นการกระทําจะไม่กระทําที่จะทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการพูดจะไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นสรุปแล้วก็คือทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นไปด้วยความเมตตาทางจิตใจการการแสดงออกมาก็อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกฎในศีลการพูดก็เหมือนกันเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกล่าวมาทั้งหมดนะั่นคือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ร่วมกัน S <S <an> จะว่าศีลก็ใช่จะว่าวินัยก็ใช่จะว่ากฎหมายก็ใช่จะว่าอะไรก็ถูกทั้งหมดคือการอยู่ด้วยกันด้วยความสงบพรมเย็นเป็นสุขให้เห็นใจเขาให้เห็นเห็นใจเราเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาทุกคนกค็ต้องการความสุขต้องการไม่อยากจะให้ใครมาเบียดเบียนไม่อยากไม่อยากจะให้ใครมาลังแกไม่อยากจะให้ใครมาคตมาโกงเรามาดูถูกเหยียดหยามเรา มาด่ามาว่าเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเ่งเหล่านี้ใครๆก็มีอยู่ในจิตในใจของพวกเราด้วยสักด้วยสีอด้วยการเป็นอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านการจะกระทําสิ่งใดก็ตามกายกรรมวจีกรรมอกายกรรมวิจีก ร, รมโนกรรมให้คิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอกพร้อมกันเรื่องมโนกรรม ในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นจุดนี้มากก่อนที่จะรู้ได้ว่ามนโนกรรมนันคิดเรื่องอะไรถ้านอกจากสมาธิแล้วไม่ไม่มีทางที่จะกำหนดดูจิตใจของตนเองได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทาสมาธิํมามทสมาธินี่ยคือพวกเราก็จะต้องคิดว่าโอ้เรื่องสมาธิเป็นของพระเท่านั้นตามไม่จริงไม่ใช่ เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายสมาธิคือให้สังเกตดูใจของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้เห็นใจให้ดูใจให้รู้เรื่องของใจถ้าหว่าเราไม่รู้เรื่องของใจปล่อยปะละเลยใจคิดเรื่องอะไรใจทำอะไรถ้าเราไม่ได้สังเกตรเราไม่รู้สิ่งอื่นที่มันตามมาผลมันตามออกมาจา ก, กจิตใจที่คิด ไม่มีเรื่องไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายจะตามมาแต่ถ้าว่าพวกเรารู้ว่าพิธีการคิดของเราเราคิดเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิเราจะรู้ได้ว่าเราคิดผิดหรือเราคิดถูกเราคิดอย่างนี้เป็นยังไงสมาธินั้นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่สมาธิคือพยายามทำจิตให้สงบกาหนดลมหายใจเข้าหรือ กำหนดในการเคลื่อนไหวอริยบทของเรายืนเดินนั่งนอนอย่างขณะพวกเรานั่งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอย่างไรเรานั่งอยู่ท่าไหนสติของเราอยู่กับตัวไหมขณะนี้เรานั่งอยู่ยังไงให้รู้วิธีการนั่งของตอนเองขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างไรให้มีสติเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว น, นี่ก็คือสมาธิแล้วในเมื่อเราดู เรารู้ว่าตัวของเรานั่งอยู่ยังไงถ้าเอาไม่อยู่เราก็กําหนดลมหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจเข้าเพื่อเสริมเข้าอีกเวลาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพื่อให้สติอยู่กับตัวเองว่าเรานั่งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นให้ฝึกดูใจจากนั้นเราก็ดูกําหนดดูเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบตามหลักของ ประทำคําสั่งสอนของผู้ไถ่เจ้าคณิกาอุปจาระอั ป, ปนาสมาธิเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแน่แนบแน่นจิตของเราเที่ยงตรงจิตของเราไม่กระสับกระส่ายจิตของเราไม่มกแวัดจิตของเราไม่หิวโหวยอันนี้ประวัติจิตสงบในเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเรารู้ได้ว่าเป็นยังไงขณะนี้จิตของเราไม่หิวโหวยจิตของเราไม่ว้าเวอ้างว้าง เงียบเหงาเศ้าซึมจิตของเราโดดเด่นจิตของเรารู้ได้กายกับใจเป็นคนละอย่างกันจากนั้นเราก็นำมาพิจารณากายของเราอีกว่ากายของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวตั้งแต่ศรีรษะจนถึงเท้ามีอะไรอันให้ก็มาแยกแจะดูอีกในเมื่อเรามาแยกแยะด้วยปัญญาของเราร่างกายก็มีเท่านี้ที่เราลุ่มหลงมัวเมา ด้วยสิ่งต่างๆก็ดีเสียอกเสียใจในเรื่องสิ่งต่างๆก็ดีก็ออกไปจากกายตัวนี้กายตัวนี้เป็นเรื่องจะบอกเป็นคนที่คนมองเห็นเหมือนกับเราโชว์รถหรือโชว์บ้านเรือนอย่างนั้นอ่ะอันนี้ใจของเราโชว์ร่างกายแสดงออกทางร่างกายให้คู่คนได้เห็นใครเป็นยังไงใครเป็นยังไงก็แสดงออกทางร่างกาย แต่จิตใจนั้นอยู่มุดอยู่เบื้องหลังแต่ในหลักของพุทธศาสนาในท่านมองให้มุดให้ดูไอตัวมุดอยู่เบื้องหลังของกายนั่นน่ะตัวนั้นสําคัญยิ่งกว่าร่างกายที่มันแสดงออกมาทางร่างกายร่างกายใ น, นเป็นฉากหน้าเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนั้นตัวนั้นสําคัญอย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นควา้าอยู่ในป่ารงพงไพ่ถึงหกปีบําเพ็ญบุญบริมีมาศีอสงไขยแสนมหากับ ตอถึงพระษาวกของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาอาสงสองอสงไขหรือหนึ่งอสงไขาตามลําดับมากน้อยก็มาเพื่อจะบำเพญ็ญเพื่อจะดูตัวนามธรรมคือจิตใจที่อยู่เบื้องหลังของร่างกายนี่นหะตัวนั้นะ่ะตัวที่สําคัญอย่างมากตัวก่อเรื่องก่อเราที่เป็นทุกข์เป็นร้อนในสิ่งต่างๆที่พวกเราโมโหโทโสทํากรรมดีกรรมชั่วสิ่งควรทําและไม่ควรทำํำ มันอยู่เนี่ยนะอยู่ตัวนั้นอ่ะคือใจตัวนั้นอ่ะคือนํามธทําตัวนั้นเพราะฉะนั้นที่เราจะจับตัวนั้นได้หรือว่าจะมองเห็นตัวนั้นได้หรือว่าจะสังเกตเห็นตัวนั้นได้นอกจากสมาธิแล้วไม่มีทางที่จะเข้าถึงจุดนั้นได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งสมาธิทําจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งในเมื่อพวกเราทําจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าใจของเราคิดเรื่องอะไร ทำไมเราจึงไปรุ่มหลงัวเมาในร่างกายร่างกายมีอะไรบ้างท่านให้ค้นคว้าดูละท่าให้ค้นดูร่างกายมีเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตาหูจมูกกลิ้นกายตาไปเห็นรูปเป็นยังไงถ้าไปเห็นรูปดีรูปสวยรูปงามใจของเราก็กเพิ่มอยากจะได้รูปนั้นมาเป็นของตัวเองเมื่อได้ยินเสียง ใจของเราก็กระเพิ่อมอยากจะได้ยินเสียงอยากจะฟังอยู่ตลอดเวลาอยากจะได้เสียงนั้นมาเป็นของสมบัติของตนเองเมื่อจมูกได้ดมกลิ่นได้กลิ่นหอมก็อยากจะได้กลิ่นหอมนั้นมาไว้เป็นสมบัติของตนเองเลนไดลิมรถที่พึงปรารถนาก็อยากจะได้สิ่งนั้นมาเอาไว้กับตัวเองเพื่อเป็นที่ริมรถของตัวเองการสัมผัสของร่างกายเย็นร้อน อ, อุ่น อ่อนนุ่มเป็นสิ่งที่ปรารถนาที่ร่างกายไปสัมผัสเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นมาให้เป็นสมบัติของร่างกายสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยเห็นทางตากนดีได้ยินทางหูกนดีได้ริ้มรถทางลิ้นกนดีได้สัมผัสทางกายกนดีใจของเราโลภทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายรักกามมาลคะออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลง ทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายคือใจของเราหนึ่งออกไปสู่ทวนันอย่างที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาแล้วขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายเอาไปด้วยไม่ได้ใจเมื่อไปเห็นส่งไปทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกาย สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายแท้ๆเราจ ะ, จะต้องปล่อยจะต้องวางทิ้งจะต้องถูกเผาไฟทิ้งอีกสักวันหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าใจของเราไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาด้วอว่าใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นนะนี่แหละวิถีทางคิดวิถีทางคิดของปัญญาที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราทั้งหลายคิดนะให้พวกเราทั้งหลายคิด ใช้ปัญญาพิจารณาคิดขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเส่งเราอื่นเข้าไปตาไปเห็นอยากจะได้มาหูได้ยินจังเกะได้ม า, จ, า, จ, มาจมูกลิ้นกายไปสัมผัสจะได้มามาเป็นของตนเองนั้นขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราคิดให้พวกเราพิจารณาแต่จุดนี้เป็นจุดที่มันสลับซับซ้อน โดยมากใจของเราจะไม่ยอมรับง่ายๆแต่ถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องเจอกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสภายในใจของเราแต่ส่วนความเป็นจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างที่ความเป็นจริงอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษา ให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนตามหลักเหตุผลจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นอเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบอีกสังหาตัดไว้มาเมื่อสองพันกว่าปีนํามาพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่ล้าสมัยถ้าพิจารณาให้ส่วนลึกเข้าไปสรุปแล้วก็คือพวกเรามีกายกับใจสองอย่างอยู่ในนี้อใจตัวนี้แหละเป็นหัวหน้าใจตัวนี้แหละเป็นใหญ่ แต่เป็นรุ่มหลงในสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนโผลที่สุดลูกน้องไม่ปฏิบัติตามตนเองก็ตัวเองก็เลยเดือดร้อนร่างกายไม่ปฏิบัติไม่เชื่อฟังตนเองใจก็เดือเดือดร้อนเอียตาฝ้า ฟ, า, ฟางหูหนวกวิ่งไปหาห ม, าหมอรักษาเข้าไปร่างกายทุกส่วนในร่างกายไม่ไปตามบัญชาที่ตรงเองอยากจะให้มันเป็นร่างกายมัน ไหลไปตามสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เดือดร้อนวุ่นวายอยากจะไม่อยากจะให้ร่างกายลูกน้องเหล่านั้นหนีออกจากตัวของเราแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายที่เป็นลูกน้องของเราก็ต้องหนีออกไปจากเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยวันนั้นแหละพวกเราจะทจําใจยังไงทําตัวอย่างไรให้พวกเราคิดไว้ให้ดีก็แล้วกันในจุดนั้นเอถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้นะเอ ความทนทุกทรมานเข้ามาสู่จิตใจของเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาในการเป็นอยู่ของคนก่อนที่จะตายพวกแพทย์เขาได้พูดเอาไว้ว่าเป็นจุดที่ว่าเวอ้างว้างที่สุดต้องการความอบอุ่นมากที่สุดในช่วงนั้นเพราะนั้นอยากจะทิ้งแต่ให้แพทย์ให้หมอดูแลอย่างเดียวไม่เพียงพออันนี้หลวงพ่อได้ฟังฟังดูเออใช่จริง ไอ้ายว่าบางคนพวกเราท่านทั้งหลายพอไปส่งให้ถึงหมอแล้วกระจบไม่ได้คิดว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถ้าหางว่าพวกญาติพี่น้องลูกหลานห่างเหินไม่เข้าไปใกล้และความรู้สึกในช่วงนั้นของเขาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นยังไงอันนี้บอกว่าพวกเราให้ความสำคัญแต่วันเกิดพวกบางคนเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกจะมีลูกหลานเกิดขึ้นมาเตรียมการ ตอนรับขับสู้ใหญ่โตแต่พอจะมีคนตายไปนั้นไม่เข้าไปใกล้เพราะตัวเองก็กลัวต่างหากไม่อยากจะเหตุไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรับทราบผู้ที่ตายไปนั้นจะมีความทนทุกข์ทรมานบางทีโกรธแค้นให้ลูกให้หลานว่าตัวเองหาเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์หามาให้ลูกหลานพอจวนเจียนสุดท้ายจริงๆไม่มีใครเข้ามาดูมาแลเลยมอบให้แก่แพทย์แก่หมอเท่านั้น อันนี้หมอเขาเขาเขดโพเขียนออกมาหลวงพ่อพิจารณาดูแล้ว ม, มีส่วนมากๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้อย่าไปพึ่งลูกพึ่งหลานอย่าไปพึ่งใครทั้งหมดให้อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราที่จะพึ่งตนของเราเท่านั้น ถ้าพวกเราพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเลยจะที่จะพึ่งคนอื่นที่หมอก็พูดอย่างนั้นกับใครๆว่ า, าวโลกที่เขาเห็นเพื่อความอบอุ่นที่ลูกเจ้าเล้าหลานไปหรือบาคนที่รักเขารไปในใกล้เขาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็คงจะเห็นแววตาของคนป่วยที่แสดงออกมาที่หมอเขาดูแล้วดูอีกศึกษาแล้วดูดศึกษาอีก คนตายตอมหน้าต่อตาตายกับมือของเขาไม่ลวกกินท่านกี่คนเขาคงจะสังเกตเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยเขียนเป็นคำพูดและเขียนเป็นตำราออกมาให้พวกเราได้ศึกษาได้ได้ฟังหลวงพ่อเป็นคำพูดที่จริงทีเดียวเพราะเขาเห็นประสบการณ์เขาเห็นอย่างนั้นเพราะวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วว่าก่อนที่จะตายเนะี่ยมีความว้าเหวอ้างว้าง เงียบเหมาเศร้าซึมวิตกกังวลเปาะบางในความรู้สึกมากที่สุดเพราะนั้นให้เราพวกเราเตียมเอาไว้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้เราเข้มแข็งเลยปล่อยวางเลยใครจะมาช่วยไหมมาช่วยข่าเองเทนั้นถ้าข่าไม่หายใจข่าก็ต้องตายไปข้ามาเกิดใครข้ามากับใครเราข่ามาคนเดียวมากับเปื่อยกายมาไม่ใช่เหรือแล้วเมื่อข่าตายข่าจะเอาอะไรไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันต้อง กัดฝันเลยว่างั้นเถอะแต่มาถึงจุดนั้นจริงๆหลวงพ่อีนอาจจะร้องไห้ก็ไม่รู้แล้ ว, วงั้นเถอะอันนี้ก็พูดขณะที่มันยังเข้มแข็งอยู่ว่างั้นเถอะพูดยังเข้มแข็งอยู่มันก็คงจะพูดอย่างนั้นเอแต่พอมาถึงน้าไปถึงคราวนั้นเข้ามาอาจจะน้ําตาหลังน้ําตาไหลคิดถึงคุณนู้นคิดถึงคนนี้ถ้าพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ในหลวงพ่อว่ามีส่วนมากๆนะ เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่พูดหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นพวกเราจะถึงจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราเตรียมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาไว้ให้เข้มแข็งเอาไวใ้ให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมเอาไว้ให้มีศีลธรรมเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลให้เตรียมเปี่ยมเอาไว้ถ้ามีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องกลัวไปที่ไหนก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางนั้น่ะการพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะนะเนี ทางหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจุดนั้นมันรู้จะเป็นยังไงมีแต่ภาวะโผวนในจุดตีนจิตในใจทั้งหมดมีแต่ความทุกข์ทุกข์ระทมเข้ามาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราญาติโยมทุกทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วนําไปไข่ควรทบทวนตามที่หลวงพ่อได้กล่าวหลวงพ่อพูดเบื้องต้นการเป็นอยู่ของพวกเรากดระเบียบตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้นําประยุกต์ใช้ ในวัดของเราเพื่อเป็นการปูทางให้แก่อนุชนรุ่นหลังให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องวิสาสนพิธีการนั่งสมาธิการยังไงการเดินจงกรมทำยังไงการไหว้พระสวดมนต์ทำยังไงตลอดถึงพิธีแนวทางพระพุทธศาสน า, าพูุทธเจ้าสอนอะไรสำหรับพัฒนาญาติโยมพุทธบริษัทท่านเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีล น, นี่คืออะไรคือกฎระเบียดดุวินัย หรือกฎหมายก็คืออันเดียวกันอย่าไปสนเทศสงสัยไปอย่างอื่นกฎหมายปกครองสงพระวินัยก็คือกฎหมายปกครองให้การอยู่ร่วมกันศีลห้าก็คือศีลสําหรับครว่าตให้การอยู่ร่วมกันอย่าไปฆ่ากันอย่าไปขโมยของกันอย่าไปประพฤติล่วงละเมิดสามีพันยาคนอื่นเขาอย่าไปโกหกกันจะไปดื่มสุราดื่มสุราแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นอย่าไปดื่มฮะ ให้มีสติไว้อยู่เสมอนะนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือกฎหมายการอยู่ร่วมกันและแนวความคิดกับหลวงพ่อได้พูดว่าสมาธิทางพวกเราไม่มีสมาธิคุ้มครองทางด้านจิตใจแล้วพวกเราจะไม่รู้ใจของเราคิดเรื่องอะไรทางว่าพวกเรามีสมาธิแล้วกายกรรมวจีกรร ม, มโนก ร, รมก็จะเห็นได้ชัดเจนวิธีการคิดเราจะคิดอย่างไรผิดคิดผิดคิดถูกยังไง วาจากการพูดผิดพูดถูกอย่างไรการกระทํากระทําผิดกระทําถูกอย่างไรเราจะรู้ได้เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าว่าจิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมาเมื่อขาดสติอย่างคนขาดอย่างกินเหล้าเนีย่ยคือควรเป็นบ้าถ้าจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่การกระทําสิ่งไหนก็ตามเราจะไม่รู้ว่าเราคิดเราพูดเราทําอะไรเพราะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญตลอด ถ, ถึงปัญญาพระพุทธเจ้าให้เดินอย่างไร ให้คิดอย่างไรพระพุทธเจ้าให้มองดูกายของเราขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดสิ่งเราอื่นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายที่ไปเห็นมาแล้วจะให้เป็นสมบัติของตนเองก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นให้ดูพิจารณาดูกายแล้วก็พิจารณาดูใจใจของเราอย่าไปลุ่มหลงโมลกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ ถ้าพวกเรารู้จักปล่อยรู้จักวางมันปลายชีวิตของพวกเราก็จะหันก็ามาหาตัวเองได้รู้จักปล่อยรู้จักวางอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ตัวขอเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในวาระสุดท้ายในการประพุทธปฏิบัติธรรมใจของเราจะเข้มแข็งนะ รู้เหตุรู้ผลรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักศีลรู้จักธรรมจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขตายตาหลับประมาณนั้นน ะ, ะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติการพูดเพียงเท่านี้